พระไตรปิดกฉบับประชาชนเล่มที่สิบสีพระสูตรที่ยี่สิบปดอุปักิเลสสูตรสูตรว่าด้วยเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตพระผู้มีพระภาคประทับณโคศีตารามใกล้กรุงโกสัมพีสมัยนั้นภิกษุชาวกรุงโกสัมพีแตกกันต่างว่ากล่าวเสดสีกันต่างๆพระผู้มีพระภาคทรงห้ามปรามก็ไม่ฟัง จึงตรัสแสดงธรรมเป็นคติเรื่องการทะเลาะวิวาทแล้วเสด็จไปสู่ภาละกะโลนการาคามคือหมู่บ้านทาเกลือชื่อภาละกะณที่นั้นได้ทรงแสดงธรรมแก่พระภคคุแล้วเสด็จไปสู่ป่าชื่อปาจีนวังสะผู้เฝ้าป่าไม่ยอมให้เข้าพระอนุรุษได้ทราบจึงแจ้งแก่คนเฝ้าป่าไม่ให้ห้ามเพราะท่านเป็นพระศาสดาของพวกเรา และได้บอกให้พระนันทิยะประกิมพิละมาเฝ้าต้อนรับพระผู้มีพระภาคตรัสถามถึงความ้าสุขความสัมมาคีความไม่ประมาทและคุณในพิเศษท่านเหล่านั้นกล่าวตอบในทางที่ดีงามในส่วนที่เกี่ยวกับคุณใพิเศษกราบทูลว่ารู้สึกว่ามีแสงสว่างและเห็นรูป แต่ไม่นานแสงสว่างนั้นและการเห็นรูปก็หายไปไม่ได้บรรลุนิมิตนั้นอีกตรัสตอบว่าควรบรรลุนิมิตนั้นแล้วตรัสเล่าถึงเหตุการณ์เมื่อก่อนตรัสจรู้ว่าเคยทรงประสบภาวะเช่นนั้นเหมือนกันแต่ทรงสอบสวนถึงต้นเหตุซึ่งทรงแก้ทีละอย่างทีละอย่า ง, างเหตุเหล่านั้นคือความสงสัยการไม่ทำในใจ ความหดหู่ง่วงงุนความหวาดสะดุง้งความตื่นเต้นความย่อย่อนความเพียรตึงเกินไปความเพียรหย่อนเกินไปความอยากความกําหนดหมายต่างๆการเพ่งรูปมากเกินไปซึ่งรวมเป็นความเศร้าหมองแห่งจิตสิบเอ็ดอย่างในที่สุดเมื่อทรงทราบว่าเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตก็ทรงละได้หมดทุกอย่าง เล่าต่อไปอีกว่าเมื่อส่งบำเพ็ญเพียรไปก็ส่งรู้สึกว่ามีแสงสว่างแต่ไม่ส่งเห็นรูปบ้างส่งเห็นรูปแต่ไม่ส่งรู้สึกว่ามีแสงสว่างบ้างตลอดคืนบ้างตลอดวันบ้างตลอดทั้งวันทั้งคืนบ้างเมื่อส่งสอบสวนถึงเหตุปัจจัยก็ส่งคิดว่าในสมัยใดไม่สนใจรูปนิมิต หรือเครื่องหมายคือรูปสนใจแต่โอภารนิมิตหรือเครื่องหมายคือแสงสว่างในสมัยนั้นก็รู้สึกว่ามีแสงสว่างแต่ไม่เห็นรูปในสมัยใดไม่สนใจในโอภารนิมิตสนใจแต่รูปนิมิตในสมัยนั้นย่อมเห็นรูปแต่ไม่รู้สึกว่ามีแสงสว่าง ต่อจากนั้นทรงแสดงถึงการที่ทรงรู้สึกว่ามีแสงสว่างน้อยเห็นรูปน้อยทรงรู้สึกว่ามีแสงสว่างไม่มีประมาณเห็นรูปไม่มีประมาณเมื่อทรงสอบสวนถึงเหตุปัจจัยก็ทรงคิดว่าในสมัยใดสมาธิน้อยในสมัยนั้นจักสุก็น้อยทำให้รู้สึกว่ามีแสงสว่างน้อยเห็นรูปน้อย ด้วยจักรสุน้อยแต่ในสมัยใดสมาธิไม่มีประมาณในสมัยนั้นจักรสุก็ไม่มีประมาณทำให้รู้สึกว่าแสงสว่างไม่มีประมาณเห็นรูปไม่มีประมาณข้อนี้แสดงว่ากำลังของสมาธิเป็นสำคัญถ้ากำลังน้อยก็ทำให้ทิพย์ยะจักสุมีความสามารถน้อยไปด้วย รั้นทรงทราบว่าได้สรงละอุปกิเลสแห่งจิตทั้งส1อ็ดได้แล้วก็ทรงคิดว่าได้เจริญสมาธิโดยส่วนสามแล้วในบัดนี้ต่อจากนั้นทรงแสดงว่าได้เจริญสมาธิที่มีทั้งวิตกวิจารได้แก่ฌานที่หนึ่งสมาธิที่ไม่มีวิตกแต่มีวิจาร์ได้แก่ฌานที่สองในฌานห้า สมาธิ recalled. ที่ไม่มีวิตกวิจารได้แก่ฌานที่สองสามสี่ในฌานสี่และฌานที่สามสี่ห้าในฌานห้าสมาธิที่มีปีติได้แก่ฌานที่หนึ่งสองในฌานสี่และฌานที่หนึ่งสองสามในฌานห้าสมาธิที่ไม่มีปีติได้แก่ฌานที่สามสี่ในฌานสี่ และชานที่สี่ห้าในชานห้าสมาธิที่ประกอบด้วยความสุขได้แก่ชานที่หนึ่งสองสาในชานสี่และชานที่หนึ่งถึงสในชานห้าสมาธิที่ประกอบด้วยอุเบกขาได้แก่ชานที่สี่ในชานสี่และชานที่ห้าในชานห้าเมื่อได้เจริญสมาธิอย่างนี้แล้วก็เกิดยานัทสนะ คือความเห็นด้วยญาณขึ้นว่าความหลุดพ้นของพระองค์ไม่กำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้ไม่มีการเกิดอีกหมายเหตุสูตรนี้แสดงหลักวิชาในการปฏิบัติ จ, จิตใจชั้นสูงซึ่งเกิดปัญหาแก่พระสาวกแต่พระองค์ก็ทรงแสดงว่าได้แก้ปัญหาตกมาแล้วก่อนตรัสรู้ ในที่นี้ไม่ค่อยได้อธิบายสับไว้พิสดารเพราะเห็นว่าจะต้องอธิบายยืดยาวและใช้หน้ากระดาษมากอย่างไรก็ตามสูตรนี้น่าเลื่อมใสเป็นพิเศษในทางปฏิบัติที่แสดงว่าพระพุทธศาสนานั้นไม่ใช่เรื่องสําหรับพูดเท่านั้นแต่จะต้องอาศัยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในทางปฏิบัติ ด, ด้วยและพึงสังเกตว่าในสูตรนี้นับเป็นหลักฐานแรก ที่แสดงชานห้าเพราะที่แล้วมาแสดงแต่ชานสี่เท่านั้น